วันอื่นพระเจ้าวิเทหราชเสวยพระกรยาหารเช้าแล้วเสด็จดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวแห่งปราสาทเมื่อทอพระเนตรออกไปทางช่องพระแกล ได้ทอพระเนตรเห็นแพะหนึ่งสุนัขหนึ่งทำความเชยชิดเป็นมิตรกันได้ยินว่าแพะนั้นกินหญ้าในโรงช้างที่เขาทอดไว้หน้าช้างช้างยังมิได้จับลำดับนั้นคนเลี้ยงช้างทั้งหลายตีแพะนั้นให้ออกไปคนเลี้ยงช้างคนหนึ่งไล่ติดตามแพะนั้นซึ่งร้องหนีไปโดยเร็วเอาท่อนไม้ตีคว้างลงที่หลังแพะ แพะนั้นแอ่นหลังได้ทุกขเวทนาไปนอนใกล้ตังอาศัยฝาใหญ่ในพระราชคฤรืหาดวันนั้นสุนัเขเคี้ยวกินกระดูกละหนังเป็นต้นที่ห้องเครื่องหลวงจนอ้วนผีเมื่อพ่อครัวจัดพัฒตาหารแล้วออกไปข้างนอกพึ่งเหงื่อในสรีระมันได้กลิ่นปลาเนื้อไม่อาจอดกลั้นความอยากก็เข้าไปในห้องเครื่อง ยังเครื่องปิดภาชนะให้ตกลงแล้วเคี้ยวกินเนื้อฝ่ายพ่อครัวได้ยินเสียงภาชนะก็เข้าไปทางเสียงภาชนะเห็นสุนัข ก, กำลังกินเนื้ออยู่จึงปิดประตูตีสุนัขนั้นด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นสุนัขนั้นก็ทิ้งเนื้อที่เคี้ยกินจากปากร้องวิ่งหนีออกไปพ่อครัวรู้ว่าสุนัขหนีออกไปจึงติดตามไปตีขว้างที่หลังด้วยท่อนไม้ สุนักก็แอหลังยกเท้าข้างหนึ่งเข้าไปในที่แพะนอนแพะถามสุนักนั้นว่าเพื่อนแอนหลังยกเท้าข้างหนึ่งมาด้วยเหตุไรลมเสียดแทงเพื่อนหรือฝ่ายสุนักก็ถามว่าเพื่อนแอนหลังนอนอยู่ลมเสียดแทงเพื่อนหรือแพะบอกเรื่องของตนแก่สุนักแม้สุนักก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันลาดับนั้นแพะถามสุนัขว่า เพื่อนสามารถจะไปสู่โรงครัวอีกหรือสุนักตอบว่าข้าไม่สามารถแล้วเมื่อข้าไปชีวิตจะไม่มีก็เพื่อนสามารถจะไปสู่โรงช้างอีกหรือแพตอบว่าถึงข้าก็ไม่กล้าไปที่โรงช้างนั้นถ้าข้าขข้นไปชีวิตก็จะไม่มีสัตว์ทั้งสองคิดหาอุบายว่าบัดนี้เราจะเป็นอยู่ได้อย่างไรหนอ แคจึงกล่าวกับสุนักว่าถ้าเราทั้งสองอาจอยู่ร่วมกันอุบายก็มีคือตั้งแต่นี้ไปเจ้าจงไปโรงช้างพวกคนเลี้ยงช้างจากไม่สงสัยในตัวเจ้าด้วยเห็นว่าสัตว์นี้ไม่กินหญ้าเจ้าพึงนำหญ้ามาเพื่อข้าส่วนข้าจะเข้าไปในโรงครัวพ่อครัวก็ไม่สงสัยในตัวข้าด้วยเห็นว่าสัตว์นี้ไม่กินเนื้อ ข้าก็จักนาเนื้อมาเพื่อเจ้าสัตว์ทั้งสองตกลงกันว่าอุบายนี้เข้าทีสุนักจึงไปโรงช้างข้าฟ่อนหญ้านํามาวางไว้ใกล้หลังฝาใหญ่ฝ่ายแพะไปสู่ห้องเครื่องข้าก้อนเนื้อเต็มปากนํามาวางไว้ใกล้ที่นั้นเองสุนัข ก, ก็เคี้ยกินเนื้อแพะเคี้ยกินหญ้าสัตว์ทั้งสองนั้นพร้อมเพรียงชอบพอกันอยู่ใกล้หลังฝาใหญ่ พระเจ้าวิเทหราชท่อพระเนตรเห็นความที่แพะและสุนัขทั้งสองนั้นชอบกันโดยเป็นเพื่อนจึงทรงดำริว่าเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเห็นเราได้เห็นแล้วในวันนี้แต่ก่อนมาสัตว์ทั้งสองนี้เป็นศัตรูกันบัดนี้อยู่ร่วมกันได้เราจะจับเหตุการณ์นี้ทำเป็นปัญหาถามบัณฑิตทั้งหลาย บัณฑิตใดไม่รู้ปัญหานี้เราจะขับบัณฑิตนั้นจากแคว้นแต่เราจะสักการะแก่บัณฑิตผู้รู้เพราะบัณฑิตอื่นรู้อย่างนี้ไม่มีวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราจะถามบัณฑิตเหล่านั้นในเวลามาทำการในหน้าที่รุ่งขึ้นในเมื่อบัณฑิต ท, ทั้งหลายมานั่งทำการในหน้าที่ของตนแล้วเมื่อจะถามปัญหาจึงตรัสคาถานี้ว่า ความที่สัตว์เหล่าใดเป็นเพื่อนกันในโลกนี้แม้ไปด้วยกันสักด์เจ็ดเก้าไม่เคยมีในการไหนไหนสัตว์ทั้งสองนั้นเป็นศัตรูกันมาเป็นเพื่อนประพฤติเพื่อคุ้นกันได้เพราะเหตุอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพื่อคุ้นกันปฏิสันทายะได้แก่เชื่อกันและกันแล้วพยายามก็แลครั้นตรัดอย่างนี้แลไดตรัสอย่างนี้อีกว่า ถ้าเวลากินอาหารเช้าแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายไม่สามารถกล่าวแก้ปัญหานี้ของเราเราจะขับท่านทั้งปวงจากแว่นแคว้นเพราะเราไม่ต้องการพวกคนเขาเซนกะนั่งอยู่ต้นอาสนะมโหสถบัณฑิตนั่งอยู่ที่สุดอาสนะพระมหาสัตพิจารณาปัญหานั้นยังไม่เห็นเนื้อความจึงคิดว่า พระราชาองค์นี้มีพระชวณะเฉืยช้าไม่สามารถจะทรงจับคิดปัญหานี้พระองค์คงจักทอพระเนตรเห็นอะไรแน่วันหนึ่งเมื่อเราได้โอกาสจักนําปัญหานี้ออกแสดงอาจารย์เสนกะจักยังพระราชาให้งดสักวันหนึ่งในวันนี้ด้วยอุบายอย่างหนึ่งจะได้หรือชนทั้งสามนอกนี้แลไม่เห็นอะไรอะไรเหมือนเข้าห้องมืดฉะนั้น เซนกะแลดูพระโพธิสัตว์ด้วยมณสิการว่าความเป็นไปของมโหสถจะเป็นอย่างไรเนอฝ่ายมโหสถก็แลดูเซนกะเซนกะรู้ความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ด้วยอาการที่พระโพธิสัตว์แลดูจึงคิดว่าปัญหานั้นยังไม่ปรากฏแก่มโหสถเพราะเหตุนั้นมโหสถจึงปรารถนาโอกาสวันหนึ่ง เราจักยังมโนรสของมโหสถให้เต็มจึงสวนขึ้นด้วยวิสาสะกับพระราชาทูลว่าพระองค์จักขับฆ่าพระบาทเหล่านี้ผู้ไม่สามารถกล่าวแก้ปัญหาจากแคว้นจริงๆหรือพระเจ้าค่าพระราชาตรัสตอบว่าจริงจริงสิบัณฑิตเซนกะจึงทูลว่าพระองค์ทรงกําหนดปัญหานี้ว่าปัญหามีเงื่อนเดียวหรือ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะกล่าวแก้ปัญหานี้ในวันนี้ขอได้ทรงงดหน่อยหนึ่งปัญหานี้มีเงื่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจักกล่าวแก้ในถ้มกลางประชุมชนจะต้องนั่งคิดในที่หนึ่งภายหลังจากทูลแก้แด่พระองค์ขอได้โปรดพระราชทานโอกาสแก่พวกข้าพระองค์ เสนกะกล่าวดังนี้และดูมโหสดแล้วกล่าวสองคาถานี้ว่าข้าแต่พระจอมประชากรในเมื่อสมาคมแห่งหมู่ชนอึ ก, กะทึกในเมื่อชุมนุมแห่งชนโกลาหนข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจฟุ้งซ่านมีจิตไม่แน่อยู่ที่เดียวจึงไม่สามารถจะพยากรปัญหานั้นนักปราดทั้งหลายมีจิตมีอารมณ์เดียวคนคนหนึ่งอยู่ในที่ลับ คิดเนื้อความทั้งหลายพิจารณาอยู่ในสถานที่เงียบภายหลังจากกราบทูลแก้เนื้อความนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าพิจารณาสัมมาสิทธวานะความว่านักปราชเหล่านี้มีจิตมีอารมณ์เดียวตั้งอยู่ในกายวิเวกและจิตตาวิเวกพิจารณาปัญหานี้แล้วจะ ก, กล่าวเนื้อความนั้นแด่พระองค์ พระราชาทรงสดับคำของเสนกะก็ไม่ทรงพอพระทยัยตรัดคุกขามดังนี้ว่าก็ได้ท่านทั้งหลายคิดแล้วจงแก้เมื่อแก้ไม่ได้จักให้ขับเสียบัณฑิตทั้งสี่ลงจากพระราชนิเวเศเสนนกะจึงกล่าวกับบัณฑิตนอกนี้ว่าพระราชาตรัดถามปัญหาสุ ข, ขุมเมื่อพวกเราแก้ไม่ได้ภัยใหญ่จะเกิดขึ้น เหตุนั้นท่านทั้งหลายบริโภคสบายแล้วจงพิจารณาปัญหานั้นโดยชอบต่างคนไปเรือนของตนของตนฝวายมโหสดลุกไปสู่สำนักพระราชเทวีอุทุมพรทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าวันนี้หรือวานี้พระราชาประทับอยู่ในที่ไหนนานพระนางอุทุมพรรับสั่งว่าเมื่อวานนี้พระราชาเสด็จไปมา ทออพระเนตรที่พระแกละณภายในพื้นนานแต่นั้นพระโพธิสัตว์จึงคิดว่าพระราชาจักได้ทอบพระเนตรเห็นเหตุอะไรอะไรโดยข้างนี้จึงไปในที่นั้นแลดูภายนอกได้เห็นกิริยาแห่งแพะและสุนัข ก, ก็ทำความเข้าใจว่าพระราชาทอบพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งสองนี้จึงทรงประพันปัญหา จับเขาได้ชนนี้แล้วก็กลับไปเคหสถานฝ่ายบัณฑิตทั้งสามคิดแล้วไม่เห็นอะไรจึงไปหาเสนกะเสนกะเห็นบัณฑิตทั้งสามนั้นจึงถามว่าท่านเห็นปัญหาแล้วหรือครั้นได้รับตอบว่ายังไม่เห็นจึงกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาจะขับท่านทั้งหลายจากแว่นแคว้นท่านทั้งหลายจะทําอย่างไร ครั้นบัณฑิตทั้งสามย้อนถามว่าก็ท่านเห็นหรือก็ตอบว่าแม้เราก็ยังไม่เห็นครั้นบัณฑิตทั้งสามกล่าวว่าเมื่ออาจารย์ไม่เห็นข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นอะไรก็เมื่อวานนี้เราทั้งหลายบรรลือสีหนาตในราชสำนักว่าจะคิดแก้แล้วมาบ้านปั น, นี้พระราชาจะา ก, กริ้วพวกเราผู้แก้ไม่ได้พวกเราจะทำอย่างไร จึงกล่าวว่าปัญหานี้อันเราทั้งหลายไม่อาจเห็นมโหสถจะคิดได้ทั้งหลายร้อยในเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมาไปสำนักมโหสถ ด, ด้วยกันกับเราบัณฑิตทั้งสี่ไปสู่ประตูเคหสถานแห่งมโหสถให้แจ้งความที่ตนมาแล้วเข้าไปสู่เรือนปราศัยกันแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วถามมโหสถว่าบัณฑิต ท่านคิดปัญหาได้แล้วหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าในเมื่อข้าพเจ้าคิดไม่ได้ใครอื่นจะคิดได้เออปัญหานั้นข้าพเจ้าคิดได้แล้วครั้นเมื่อบัณฑิตทั้งสี่กล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงบอกแก่พวกข้าพเจ้าบ้างมโหสถจึงดำริว่าถ้าเราจะไม่บอกแก่บัณฑิตทั้งสี่นี้ พระราชาจากกริ้วบรรดิตทั้งสี่ขับเสียจากแคว้นพระราชทานรัตนเจดแก่เราคนเขาเหล่านี้อย่าได้ฉิบหายเสียเลยเราจะบอกแก่พวกนี้ดำริชนีแล้วให้บรรดิตทั้งสี่นั่งณอาสนะต่ำแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงพยากรณ์อย่างนี้ในการเมื่อพระราชาตรัสถาม แล้วให้บัณฑิตทั้งสี่เรียนบาลีประพันธ์เป็นคาถาสี่คาถาแต่ไม่ให้รู้สิ่งที่พระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วส่งให้กลับไปในวันที่สองบัณฑิตเหล่านั้นไปสู่ราชุ ป, ปัฏฐานนั่งณอาจปูราดไว้พระราชาตรัสถามเซนกะว่าท่านรู้ปัญหาแล้วหรือเซนกะจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า เมื่อข้าพระองค์ไม่รู้ใครอื่นเล่าจากรู้ครั้นรับสั่งให้กล่าวจึงกล่าวคาถาโดยทำนองที่เรียนมาทีเดียวว่าเนื้อแพะเป็นที่รักที่เจริญใจแห่งบุตรอมารและพระราชโอรสชนเหล่านั้นไม่บริโภคเนื้อสุนัขแต่แพะกับสุนัข ก, กลับเป็นมิตรต่อกันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแห่งบุตรอมาตและพระราชโอรส อุคปุตตะราชาปุตติยานังความว่าแห่งบุตรอมาตทั้งหลายด้วยแห่งพระราชโอรสทั้งหลายด้วยแม้กล่าวคาถาแล้วเสนกะก็หารู้เนื้อความไม่ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบความเพราะปรากฏแก่พระองค์เพราะฉะนั้นจึงตรัสถามปุกะคุสะต่อไปด้วยเข้าพระหฤทัยว่าเสนกะรู้แล้ว ปปุกกากุสะจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ใช่บัณฑิตรหรือแล้วกล่าวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียวว่าชนทั้งหลายใช้หนังแพะเป็นเครื่องลาดหลังมา้าเป็นเหตุแห่งความสุขไม่ใช้หนังสุนักเป็นเครื่องลาดหลังมา้าแต่แพะกับสุนักกลับเป็นมิตรต่อกันเนื้อความไม่ปรากฏแม้แก่ปุกกกุสะ ภายพระราชาเข้าพระหฤทัยว่าุกากุสะนี้รู้เนื้อความเพราะปรากฏแก่พระองค์จึงตรัสถามกามินทะต่อไปกามินทะจึงกล่าวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียวว่าแพะมีเขาอันโค้งแท้จริงแต่เขาทั้งหลายแห่งสุนัขไม่มีเลยแพะกินหญ้าสุนัข ก, กินเนื้อแต่แพะกับสุนักกลับเป็นมิตรต่อกัน เนื้อความไม่ปรากฏแม้แก่กามินทะพระราชาเข้าพระหฤทัยว่าแม้กามินทะนี้ก็รู้เนื้อความแล้วจึงตรัสถามเทวินทะต่อไปเทบินทะก็กล่าวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียวว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้สุนักไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้สุนักจับกระต่ายหรือแมวกินแต่แพะกับสุนัข กลับเป็นมิตรต่อกันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากินหญ้ากินใบไม้ตินมาสิปลาสมาสิความว่าจัดกินหญ้าและกินใบไม้คำว่าไม่กินใบไม้นะปลาสังความว่าสุนัขไม่เคี้ยวกินแม้ใบไม้เนื้อความไม่ปรากฏแม้แกเทวินทะ ลำดับนั้นพระราชาเข้าพระหฤทัยว่าแม้เทวินทะนี้ก็รู้เพราะปรากฏแก่พระองค์จึงตรัสถามมโหสถว่าพ่อมโหสถแม้ตัวเจ้ารู้ปัญหานี้หรือมโหสถโพธิสัตว์ทูลสนองว่าข้าแต่มหาราชเจ้าตั้งแต่อเวจีจนถึงพวกขพรมยกข้าพระองค์เสียใครอื่นจะรู้ปัญหานี้ ครั้นตรัสให้กล่าวจึงกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงฟังเมื่อจะประกาศความที่กิจนั้นปรากฏแก่ตนจึงกล่าวสองคาถานี้ว่าจำพวกสัตว์สี่เท้าแพะมีเท้ากึ่งสี่มีกีบแปดสุนักนี้แฝงกายนำหญ้ามาเพื่อแพะนี้แพะนี้แฝงกายนำเนื้อมาเพื่อสุนักนั้นในว่า พระชนินทร์สมมุติเทพผู้ประเสริฐกว่าชาววิเทหราชประทับยูณปราสาสตรอันประเสริฐได้ทอดพระเนตรเห็นการนำอาหารมาแลกกันกินโดยประจักษ์และได้ทอดพระเนตรเห็นมิทธธรรมแห่งสุนักและแพะเองบรรดาคำเหล่านั้นคาว่ามีเท้ากึ่งสี่อัตถ ท, ทปาทูท่านกล่าวหมายเอาเท้าสี่ของแพะ ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะคำว่าแพะเมนโดได้แก่แพะคำว่ามีกีบแปดอัถฐานโขนี้ท่านกล่าวตามที่เท้าแพะมีเท้าละสองกีบคำว่าแฝงกายอทิสมาณกายโยความว่าไม่ปรากฏกายในเวลานำเนื้อมาคำว่าหญ้าชาทิยัง ความว่าเครื่องมุงเรือนคือหญ้าคาว่าสุนักนี้เพื่อแพะนี้อะยังอิมัสสะความว่าสุนักนํหญ้ามาเพื่อแพะคาว่านําอาหารมาแลกกันวีติหารังได้แก่นํามาแลกกันคําว่าอาหารแลกกันกินอัญโยนยะโภชนานางความว่า แลกกันกินด้วยว่าแพะนําของกินมาเพื่อสุนัขแม้สุนัขนั้นก็แลกกับแพะนั้นสุนัขนํามาเพื่อแพะแม้แพะก็แลกกันคําว่าได้ทอดพระเนตรเห็นอัทักขิความว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งสองนั้นแลกเปลี่ยนกันกินด้วยพระเนตรคือประจักษ์แก่พระองค์คําว่าแห่งสุนัขโพพุกกัสะได้แก่ สุนักซึ่งส่งเสียงว่าผุผุคำว่าแพะอุณณมุขขัดสะได้แก่แพะอธิบายว่าพระราชาท่อพระเนตรเห็นมิถธรรมของสัตว์ทั้งสองนี้ด้วยพระองค์เองพระราชาเมื่อไม่ทรงทราบความที่อาจารย์เหล่านั้นรู้ปัญหาเพราะอาศัยพระโพธิสัตว์ทรงสำคัญว่าบัณฑิตทั้งห้ารู้ด้วยปัญญาของตน ก็ทรงโสมนัสตรัสคาถานี้ว่าลาบของเราไม่น้อยเลยที่มีบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในราชสกุลเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายแทงตลอดเนื้อความของปัญหาอันลึกละเอียดด้วยเป็นสุภาษิตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแทงตลอดปฏิวิชัญติความว่ากล่าวแก้ปัญหาด้วยสุภาษิต ลำดับนั้นพระราชาทรงดำริว่าเราควรทําอาการยินดีแก่บัณฑิตเหล่านั้นด้วยความยินดีเมื่อจะทรงทําความยินดีนั้นให้เป็นแจ้งจึงตรัสคาถาว่าเรามีความพอใจยิ่งด้วยปัญหาที่กล่าวไเร่ให้รถเทียมมาอัสดรคันหนึ่งคันหนึ่งและบ้านสวยอันเจริญบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งแก่ท่านทั้งปวงผู้เป็นบัณฑิต รันตัดชนีแล้วได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงนั้นปัญหาแพะในทวาทะสนิบาตจบ